ผู้มาผู้มีจักขู่ห้าประการจักขู่ห้า1ตาเนื้อ2อตาทิพสตาสตาปัญญาอะไรอีกพุทธจักสุกับสมันตจักขู่นี่คือ1มังสะจักสุสองทิพจักสุสาปัญญาจักสุสี่พุทธจักสุแล้วก็สมันตจักสุนี่เรียกว่ามีจักสุ่5ประการโลกธรรมสมติกันโตผู้ล่วงผู้ก้าล่วงโลกธรรม8 แล้วหมายถึงว่าพระองค์นี่อยู่ในโลกยังไงก็ต้องพ้นเกี่ยวพันกับโลกธรรมใช่ไหมคนที่ชอบประชมพระองค์คนที่ชังก็ด่าพระองค์เนี่ยนะพระองค์ก็ต้องรับแต่ว่าพระองค์ก้าวล่วงหมดแล้วหมายคือว่าจิตใจของพระองค์อยู่เหนือโลกธรรมแปดเนี่ยนะจิตใจอยู่เหนือสุขเหนือทุกจิตใจอยู่เหนือคิดว่าได้คิดว่าเสียได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศเนี่ยนะพระองค์นี่จิตใจอยู่เหนือโลกธรรมทั้งหมด จิตใจของพระองค์อยู่เหนือคําสรรเสริญและคําเนนทาเรียกว่าก้าวล่วงโลกธรรมแต่ว่าผู้ที่ยังไม่ผู้ที่ยังจมอยู่ในโลกธรรมเป็นยังไงเขาว่ามาหน่อยหนึ่งกระสีอกเสียใจคร่ําครวญบน่นเพ้อบน่นอยู่สมวันก็ยังไม่เลิกนะเนีคนเดียวกันนั่นแหละวันหลังเขาเปลี่ยนมาชมก็ดีใจอีกสาวันก็ไม่เลิกนเนี่ยไอ้พวกนี้เรีว่าจมอยู่ในโลกธรรมตอนเขาชมก็ดีใจดีใจตอนเขาด่าให้มากระเสียใจเสียใจเลยนะวกนี้เราเรียกว่า จมปลักอยู่ในโลกก ร, ร, ระทำพอได้รับความสุขกระดีใจพอได้รับความทุกข์เสีสยใจเนี่ยนก็จมปลักอยู่กับโล ก, กธรรมแต่พ่อองค์เนี่ยไม่ได้จมปลักอยู่ในโล ก, กธรรมเหล่านี้เลยไม่ติดเลยอนุโรธวิโรธวิปยุตโตอิทธานิเทสุธรรมเมสุแปลว่าผู้ไม่ประกอบด้วยความยินดียินร้ายในอิทธารมณและอนิทธารมณ์ผู้แต่เจ้าเนี่ยนะโลกของสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาที่สุดจะมีอะไรเกินนรกใช่ไหม สิ่งที่น่าปรารถนาจะมีอะไรเท่ากับสวรรค์และพรหมโรรบเาเนี่ยนะในบรรดาสิ่งที่น่าปรารถนาะไม่น่าปรารถนาะพระองค์เห็นหมดเลยแล้วพระองค์ไม่ได้ยินร้ายในนรกด้วยโทสะแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ยินดีในสวรรค์และพรหมมรรคด้วยอำนาจราคะแม้แต่นิดเดียวเรียกว่าสุดยอดของผู้ก้าวล่วงโลกประธรรมเนี่ยนะคือพระองค์นี่เป็นคนที่เรียกว่าเห็นเห็นหมดนะเห็นทั้งั้่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดพระองค์ก็เห็น สิ่งที่เทียกว่าดีที่สุดพ อ, องษ์ก็เห็นมหาพูดเนี่ยนะชั้นเลวที่สุดพระองษ์ก็รู้จักมหาพูดชั้นเลิอที่สุดพ อ, องษ์ก็รู้จักแต่พรอองษ์ก็รู้จักนั่นก็คือมหาพูดมหาพูดระวังเนิรจะถูกผีหลอกเพราะอิทธารมณ์การนิถารมเนี่ยเป็นชื่อของโดยมากทั่วไปก็เกี่ยวกับมหาพูดนั่นแหละพอองษ์เนี่ยนะไม่ติดยาว่าแต่มหาพูดเลยแม้กระทั่งรูปปั้นอรูปปั้นพงค์ยังไม่ ติดเลยนะพระองค์ก้าวล่วงอิทธารมเหล่านั้นทั้งหมดอันิีทารมเนี่ยพระองค์ก็อย่างพระเทวทัศตเนี่ยนะตอนที่กลิ้งหินไปสเก็ตหินไปโดนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพูดแบบคนทั่วๆไปเนี่ยนอนไม่หลับแต่พระองค์ไม่มีอะไรเทวดาชมได้อะเทวดามามาชมพระองค์เลยว่าโอ้พระองค์นี่เป็นสีหานอพระองค์เป็นอาชาในนอเป็นตัวเนี่มาชมทําใจได้ยังไงเนี่ยนะเพราะว่าไอ้สเก็ตหินที่บาดเนี่ยเหมือนฟ้าผ่าหรือเหมือนขวานเนี่ยฝันเข้าไป แล้วก็นอนแบบคนสงบนอนอย่างสงบเนี่ยนะนอนด้วยเจริญกรรมฐานไปเข้าฌานได้โดยที่ไม่มีเป็นอุปสรรคอะไรเลยอั น, นอันนี้ทารมณ์พระองค์ก็รับโดยเฉพาะตอนที่ทรมานร่างกายใจพระ อ, องค์ก็ทําเต็มที่อ่ะตอนที่ได้รับความสุขเข้าพระสมาบัติแต่พระ อ, องค์ก้าวล่วงทุกอารมณ์หมดเลยโดยไม่ติดไม่ข้องไม่พัวพันุ์ไม่มีฉันทราคะเนี่ยนะออบุคคล ช, ชนิดนี้ก็มีในโลกคือาศาสดาของเราใช่ไหม ก็เราที่ไม่ธรรมดาเงั้ยนะได้นับถือคนดีขนาดนี้แสดงว่าทําบุญเก่าไว้ดีสั่งสมอัธยาสัยผู้ที่มีคุณงามความดีระดับนี้นะอสังเขปะคโตผู้ถึงนิพานที่มีคุณอันนับไม่ได้อาสังขยะก็คืออาสังเขปะตัวนั้นก็แปลว่านับไม่ได้นับไม่ถ้วนนิพานเนี่ยไม่รู้จะไป น, นับยังไงว่าดีขนาดไหนอ่ะดีถึงขนาดว่าออกจากวัฏฏทุก์ได้ทั้งสิ้นก็แล้วกันนะดีขนาดนั้นพระนิพานนั้นอ่ะ อพองเนี่ยเข้าถึงถึงนิพพานที่เรียกว่านับไม่ได้จริงๆเลยเป็นอสังขตะธรรมนะเป็นธรรมที่นับไม่ได้ว่าเป็นสังขารพันธนาติวตัตวโตผู้ล่วงเครื่องพ้นผู้ล่วง พ, พ้นพันธนาการได้หมดแล้ว <c oughs> ไม่มีพันธนาการที่จะมาผูกคอไม่มีเครื่องพันธนาการที่จะผูกมือไม่มีเครื่องพันธนาการที่จะผูกเท้า ไม่มีเครื่องพันธนาการที่จะผูกใจเลยนะว่าให้ใจไปติดไปคล้องอยู่ตรงใดไม่มีเลยถาปิตะสังขาโมแปล ว, ว่าผู้หยุดยั้งเสนามานได้แล้วนะเสนามานแ่าไหนบ้างที่ผมหยุดยั้งได้แล้วนะท่านบอกว่ากิเลสกามเป็นเป็นอะไรเป็นเสนาที่หนึ่งใช่ไหม แล้ตัวกิเลสกามเนี่ยเป็นตัวที่ที่ทําให้เราจะไปเจริญกุศลอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันยากจริงๆเลยนะถูกกิเลสกามเนี่ยเป็นพยามาเนี่ยข้ามเราหมดเลยบอกยาเลยบอกรักษาศีลแปดสิบอกยาเลยนะ เ, เจริญอันนั้นสิอย่าพึ่งเลยเนี่ยนะมันคอยห้ามเลยนะมันกระซิบอยู่ใกล้ๆหูนั่นแหละให้เครื่องพันธนาการเหล่านั้นทําให้เราขาด ขาที่จะเจริญกุศลอะไรอีกเยอะเนี่ยนะเพราะเครื่องพันธนาการเนี่ยมันทําให้เราไม่เป็นอิสระใช่ไหมด้วยอานาจเช่นอักุศลมิตกเป็นต้นเนี่ยเวล า, ากุศลมิตกเกิดขึ้นเนี่ยนะมันทําลายเราอย่างมหาศาลเลยนะมันยิ่งกว่าอะไรอีกนะเครื่องผูกใมโลกนี่นะ <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งพระพิสุท่านไปบิณฑบาตก็ไปเจอนักโทษประหารเนะี่ยหรือนักโทษทั้งหลายเนี่ย ถูกเครื่องพันธนาการนีสมัยนี้ก็เรียกว่าใส่โซ่ที่มือที่เท้าเนี่ยใส่ตรวนด้วยนะใส่ตรวนรัดคอแล้วก็มือเนี่ยขยับไม่ได้ก็เดินไปรพระพิสุท์ท่านก็เห็นเห็นแล้วก็มาเล่าถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าไอ้เครื่องพันธนาการเหล่านั้ น, นมันเล็กน้อยมันแก้ไม่ยากหรอกเนี่ยนะอีกพักเดียวก็หลุดแล้วใช่ไหมเช่นพอได้รับอะไรนะพระบรมราชานุเคราะห์เป็นต้นเนี่ยก็ แก้ได้ไม่ยากนะกุญแจแค่ เ, แเดียวไขเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าไอ้เครื่องพันธนาการทั่วๆไปที่เราติดในวัฏฏะเนี่ยนะไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้เอากุญแจตัวไหนมาไขาออกนอกจากกุญแจคืออรียมักที่จะไขหลุดได้พันเครื่องพันธนาการคือปิยรูปสาตรูปเนี่ยมันเป็นเครื่องพันธนาการอย่างชนิดเลิอเนี่ยนะมัดจนกระดิกไม่ได้เลยนะพอคิดถึงปยรูปสารูปนะไม่รู้ธรรมะหายไปไหนหมด เรียนอริยศาสตร์มาดีๆอันนี้ทุกพอไปเจอปิยรูปสาตโรคเข้าก็ลืมหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเครื่องพันธนาการที่ทําให้ติดให้คล้องให้แวะให้ให้เพลิดเพลินเนี่ยนะพระองค์นี่ล่วงพ้นหมดแล้วคือจริงๆนะท่านล่วงพ้นแม้กระทั่งตอนท่านบวชนะท่านเก่งมากเลยนะท่านเห็นหน้าลูกความรักก็จดเยื่อในกระดูกอยู่แล้วแหละตามภาษาคนที่เพิ่งมิตเป็นพ่อเนี่ยนะ ก็ติดขนาดนั้นนะแต่พอออกบวชแล้วไม่เคยคิดถึงลูกอีกเลยเนี่ยนะไม่รู้ทําใจได้ยังไงไม่ทราบนะหลายคนเนี่ยบอว่าคิดว่าแล้วไม่รู้กี่เป็นพันรอบแล้วมั้งวันวันหนึ่งนะคิดไปคิดมาก่็ลูกอีกแล้วไปคิดมาก่็ลูกอีกแล้วพอมันโตขึ้นมานะนึกเมื่อไหร่ก็เสียใจกับลูกอีกแล้วนึกเมื่อไหร่ก็เครียดเลยนะพอมีคำว่าลูกมาคำหนึ่งเครียดมากเลยนะมีโยมคนหนึ่งก็มีลูกเขาก็ไปติดยาประเภทที่ยาเขาห้ามทุกวันเนี่ยนะ บอกแหมคมํามะลูกเป็นคําที่แต่เครียดที่สุดเลยนะได้ยินคํานี้เมื่อไร่มาก็เดือดในเรื่องนะหน้านี่จ้อยเลยนะพอฟังทำอยู่นะี่ยพอพูดถึงคำมะลูกเมื่อไร่ปั๊บเห็นหน้าสีหน้านี้เปลี่ยนหมดละนั้นตอนแรกก็ดินี้นดีมากเลยใช่ตอนหลังก็ชักไม่ไหวละก็ผู้ที่มีเครื่องพันธนาการนี่ก็นับว่าเดือดร้อนมากทุกมากทําอะไรก็ลําบากเจริญกุศลอะไรก็ยากมันติดขัดไปหมดเลยแหละ คือก็อย่างว่านะคนถูกมัดจะเป็นยังไงเคยเห็นสุนัขถูกล่ามโซ่ไหมนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นเลยแล้วเราทั้งหลายก็มีเครื่องพันธนาการเอาไว้กับอุปาทานขันธ์ธาใช่ไหมมัดแล้วมัดเล่าผูกแล้วผูกเล่าอยู่นั่นแหละถ้าปีตะสังขาโมผู้หยุดยั้งเสนามานได้แล้วคือหยุดยั้งไกิเลสมานเป็นต้ น, อ, นตะตะตยยอย่างที่กล่าวไปอภิกันตะตโรผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้ประเสริฐทั้งหลายอย่างที่กล่าวนะว่า ในบรรดาอุบาสกทั้งหลายใครประเสริฐ ท, ที่สุดอนาถะอนาถะก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายใครประเสริฐนางวิสาขาประเสริฐก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ประเสริฐในแคว้นมคธใช่ไหมก็เป็นสาวกพระพุทธเจ้าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเป็นผู้ประเสริฐในแคว้นโกศลก็ยังนับถือพระพุทธเจ้าพระเจ้าอุเทนเป็นผู้ที่ประเสริฐในเมืองอะไรอุเชนีเนี่ยนะ ก็ยังเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเขาเหล่านั้นจะเป็นอย่างเท้าจะเอ่อสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยนะมีเท้ามหาราชทั้งสเป็นใหญ่ท่านเหล่านั้นก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเท้าสักกะเป็นใหญ่ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตลอดจนถึงเท้ามหาพรหมผู้เป็นใหญ่ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าผู้ประเสริฐทั้งหลายเรียกว่ายอดของคนแล้วนะเรียกว่าเอาใครมาวัดก็ไม่ได้นะอุกาทโร ผู้ทรงถือคบเพลิงคือปัญญาะนะคือพระองค์เนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่ถือคบเพลิงไว้พอพระองค์เสด็จไปที่ไหนนะคนจะสว่างหมดเลยคือเหมือนกับโลกนี้มันเป็นโลกที่มืดมิดใช่ไหมพระองค์นี่ก็ถือคบเพลิงไปให้เห็นเลยนะให้เห็นอริยสัจนะนั้นพระองค์เสด็จไปณนะที่ใดหมู่ชนทั้งหลายผู้รู้อริยสัจหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนนั้ตอนนี้พระองค์รูปกายพระองค์ดับไปแล้วเหลือแต่พระธรรมที่พระองค์แสดงเนี่ยพระธรรมของพระองค์อยู่ที่ใด อยู่ที่จิตใจของบุคคลใดทำให้บุคคลนั้นมีคบเพลิงคือปัญญามองเห็นอริยสัจจะทำได้พระองค์นี้ชื่อว่าผู้ทรงคบเพลิงตอนนี้เราก็มาช่วยๆกันชูคบเพลิงของพระองค์นคือคาสอนเนี่ ย, ยชูให้มันสว่างสวัยอย่างน้อยที่สุดให้คบเพลิงเนี่ยนำหน้าเราจะได้มองเห็นรูปข้างหน้าบ้างจะได้ไม่ตกลุมตกเหวเนี่ยนะเพราะว่าเหวคือชาติชรามรณะนี่มันน่ากลัวถ้าตกลงไปแล้วนี่ยากที่จะแก้ไข อะโลกะตระโรผู้ทําแสงสว่างคือปัญญาอะโลกะเนี่ยนะแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยที่พระองค์แสดงให้เห็นเนี่ยเห็นนี้ทุกเป็นต้นนี้ทุกขสมุทัย น, ท น, นี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์เนี่ยส่องให้สว่างหมดเลยปัจโชตะกระโรผู้ทําความรุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นชื่อของความสว่างเหมือนกันแล้วพระองค์เนี่ยก็สามารถทําให้ชนอื่นรุ่งเรืองด้วยศีล รุ่งเรืองด้วยสมาธิรุ่งเรืองด้วยปัญญาพระ อ, องค์ก็รุ่งเรืองนะแล้ยังช่วยให้ผู้อื่นรุ่งเรืองได้ตะโมนุโทผู้ทำให้ความมืดคือโมหะหายไปนะโมหะเนี่ยก็อย่างที่ว่านะผู้ใดเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ามอบไว้ความวางใจกับพระพุทธเจ้าที่ไม่เห็นอริยสัจมีไหมไม่มีถึงตอนนั้นยังไม่เห็นแต่ตอนหลังเขาก็เห็นอีกจนได้ในที่สุดตรงก็เห็นได้เนละ อย่างสัจการนิครนนะแกเนี่ยเป็นคนที่ตั้งเป็นคู่เวรเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้านะั่นหาเรื่องพระพุทธเจ้าไปก็ตอนหลังก็ก็ได้ฟังธรรมนะขนาชาตินั้นไม่บรรลุหรอกแต่ว่าอีกหลังจากนั้นประมาณสองรอปีก็บรรลนะุสกูลุทายีปริพาชกก็เหมือนกันเนี่ยนะหลายคนที่ไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในที่สุดตอนท้ายได้ดีจนได้เพราะฉะั้นแม้กระทั่งประกาศตนว่าเป็นศัตรูกับพระพุทธเจ้านะพงษ์ยังแก้ไขให้เขาเป็นคนดีได้เนี่ยนะ สมมตเหมือนก็ว่าไปเกี่ยวข้องกับหมอสุดยอดของหมอผู้ฉลาดถึงเป็นคนไข้ดื้อด้านไม่ยอมกินยานะท่านก็มีวิธีให้เรากินยาไปจนได้นะท่านบอกอ้าดื่มน้ําก็แล้วกันไม่ต้องกินออกยานะแต่ว่าผสมน้ำํำยาไว้ในในน้าเรียบร้อยหมดแล้วท่านหาวิธีรักษาเราให้จนเรียบร้อยเ็จเสร็จเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพระพุทธคุณอยู่ในใจของเราเนี่ยในที่สุดไอ้ปัญญาของเราก็จะเกิดได้สักวันหนึ่งเถอะ ถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าเจริญพุทธานุสติและปัญญาไม่เกิดนะไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นหรอกนะไม่ต้องห่วงแล้วไปอยู่กับคนอื่นจะฉลาดไม่มีทางเนี่ยนะมันก็อยู่กับพระพุทธคุเนี่ยดีที่สุดเลยตมโมนุโถผู้ทาให้ความมืดคือโมหะหายไปนะระนันฉโหผู้สละทิ้งกิเลสเครื่องเศร้ามอง <c oughs> ก็คือรณะเนี่ยนะมันแปลบางหนก็บอกว่ า, วารนรง รณรงค์เนี่ยนะมันหมายว่ามันเป็นตัวที่ต้องอะไรนะเช่นรณรงค์ให้อย่าทิ้งขยะนอกบ้านอย่างเงี้ยนะแต่ตัวไหนแตนะ่คล้ายๆคือมันต้องห้ามอ่ะนะกิเลส ท, ที่จะต้องห้ามอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายไอ้สิ่งที่ต้องห้ามทุกชนิดคือกฎเกณฑ์ข้อห้ามทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ใช้กับกิเลสนะเอาไว้จัดการกับกิเลสจริงๆนะกฎเกณฑ์กฎระเบียบข้อห้ามสารพัดชนิดเนี่ยเอาไว้ใช้กับกิเลสเอาไว้คลุม กันคนที่มีกิเลสว่าไอ้คนมีกิเลสอย่าไปทําอะไรที่มันเสียหายนะนี่ก็เหมือนกันคําสอนทุกชนิดก็เพื่อป้องกันไอ้พวกกิเลสทั้งหลายแล้วก็พระองค์เนี่ยไม่มีอะไรที่จะต้องไปควบคุมพระองค์อีกต่อไปเพราะพระองค์นี้ไม่มีกิเลสที่จะทําให้พระองค์ต้องเป็นผู้ถูกกรรณาลงเนี่ยนะถามว่าใครจะต้องเที่ยวรักษาพระพุทธเจ้าไหมไม่ต้องทั้งร่างกายและจิตใจนี่นะไม่มีใครต้องไปต้องไป คอยควบคุมเดี๋ยวพระ อ, องค์จะเลวเนี่ยเดี๋ยวพระ อ, องค์จะเกินไปเดี๋ยวพระ อ, องค์จะตกต่านะเป็นต้นเนี่ยนะไม่ต้องเนี่ยนะไม่ต้องซากอย่างเลยเพราะองค์นี้อยู่ได้ด้วยลําพังของพระ อ, องค์เองเนี่ยเพราะพระ อ, องค์นี้เป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสที่จะต้องรณรงค์อะไรนะรณะก็คืออารณวิพังนะลักษณะเดียวกันรณะตัวนั้นก็ดูรัศอารณวิพังสูตรมาจากระนันโฉเนี่ยนะรณะนรนรงนะคล้ายๆนารนานรงนะ อารณะตัวนั้นมาจากรณรงค์อารณะวิพังกสูตรก็ไปดูประกอบอปริมาณวันโนผู้มีคุณอันประมาณไม่ได้อันนี้ใครเอาอะไรไปวัดพระพุทธเจ้าได้บ้างมีพราหมณ์คนหนึ่งเอาไม้ไผ่ไปวัดดูพระพุทธเจ้าเนี่ยสูงแค่ไหนกันแน่วัดเมื่อไหร่ก็ได้แค่เสมอหนแข้งเอาไม้ไผ่ยาวเท่าไหร่ไปวัดแล้วก็เสมอหนแข้งตลอดอนะก็พราะมีคุณที่วัดประมาณไม่ได้อย่างพระพุทธคุณเนี่ยใครจะไปวัดประมาณได้ ทั้งรู ป, ปกายเนี่ยนะทั้งนามมาตายทั้งคุณธรรมตั้งแต่อรหันตคุณเป็นต้นแต่และเรื่องนี้วัดไม่ได้ซักอย่างก็เหมือนกับว่าถ้าใครจะวัดอากาศเนี่ยนะเครื่องวัดมันจะต้องเท่าอากาศใช่ไหมถ้าใครจะวัดแผ่นดินเครื่องวัดมันก็ต้องเท่าแผ่นดินใครจะวัดน้ําเครื่องวัดมันก็ต้องเท่าน้ํามันจึงจะวัดสิ่งนั้นนั้นได้อย่างแต่ช่างที่เราช่างอะไรสักอย่างแต่ช่างมันจะต้องเล็กกว่าของที่ถูกช่างใช่ไหมมันต้องพอๆกันมันจึงจะช่างกันได้ นี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าใครจะประมาณคุณพระพุทธเจ้าคนนั้นจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าจึงจะประมาณพระพุทธเจ้าด้วยกันได้<อ>พระพระองเนี่ยมีคุณอันหาประมาณไม่ได้อปริมาณไม่มีปริมาณหมอกันเถิดไม่มีปริมาณว่าเท่านั้นเท่านี้กี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นเนี่ยไม่มีเนี่ยนะปริมาณหาประมาณไม่ได้คือความดีนะความดีของพระองค์หาประมาณไม่ได้แต่ความเลวเนี่ยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มี อปมะยยะวันโนผู้มีคุณอันเปรียบไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบกับพุทธคุณใช่ไหมบอกว่าท้องฟ้าแผ่นดินเป็นต้นกับสิ่งเหล่านี้ไม่พอที่จะไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์นี้มีคุณอันเปรียบนี้ได้ถ้าหากว่าใครที่จะเปรียบพระพุทธเจ้าได้เอาใครมาเปรียบได้เอาพระพุทธเจ้ามาเปรียบพระพุทธเจ้าผู้เป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าเนี่ย อันถ้าจะเปรียบนี่ต้องเปรียบกับพระพุทธเจ้าด้วยกันถ้าไปเปรียบกับบุคคลต่ำวันนี้หมดสิทธิ์อันทองนี้เป็นผู้ที่มีใครเปรียบไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรไปเปรียบได้เปรียบเหมือนน้ําน้ํานี่มันเป็นอัพยากตะธรรมมันเป็นแค่รูปประขันพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคุณธรรมในความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนามะขันเป็นสิ่งที่ละเอียดประณีดอันนะเอาดินไปเป็นเครื่องเปรียบก็เปรียบไม่ได้เอาน้ําเอาลมเอาไฟแม้กระทั่งแก้วแหวนเพชรพลอยแก้วแหวน อ, องเงินจินดาทั้งหลายแหละสิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นมหาพูดไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกไม่รู้จะเอาอะไรไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันพระองค์นี้เป็นผู้มีคุณเปรียบไม่ได้ถ้าจะเปรียบได้ก็เอาพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นแหละมาเปรียบอะสังขย่าวันโนมีคุณอันนับไม่ได้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องนับนะวันนับว่าเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นนับไม่ได้จริงๆอย่างที่เขากล่าวว่า แผ่นดินนะี่ยังพอนับได้ใช่ไหมว่ากี่กี่ล้านตารางกิโลเมตรเนี่ยยังพอนับได้น้ําก็ยังพอวัดได้ลมก็ยังพอตั้งปริมาณวัดได้แต่พระพุทธคุณเนี่ยนับไม่ไดนะ้ไม่รู้จะเอาอะไรไปเป็นเครื่องนับพอที่จะนับได้หมดได้สิน้นอาพังกรู้ผู้ทําแสงสว่างนะพอพระ อ, องค์มีแสงจักสุแสงสว่างได้เกิดในดวงใจของพระ อ, องค์สัตว์ที่เหลือหาประมาณไม่ได้ก็แสงสว่าง ได้รับแสงสว่างอันหาประมาณไม่ได้เหมือนกันนั้นพระองค์นี้ทำแสงสว่างให้แก่ศัพท์ทั้งหลายปพังกะโรผู้ทารัศมีนะพระองค์เนี่ยมีรัศมีจากพระองค์เองแล้วก็ทำให้พระองค์ให้คนอื่นมีรัศมีรัศมีสะท้อนออกมาในความเป็นผู้มีศีลรัศมีสะท้อนออกมาในความเป็นผู้มีศรัทธาหิริโอตตะปะเป็นต้นรัศมีคือคุณธรรมก็กระจายออกมา คือผู้ผู้ที่มีคุณธรรมเนี่ยนะ ร, รัศมีหรืออะไรนะถ้าพูดแบบนังจีเ น, นะนี่ยเขาบอกว่ารังสีเนี่ยนะเขาไม่เรียกรัศมาสมีเรียกรังสีถ้าเป็นเลวร้ายเขาบอกรังสีอมตะหิดแผ่ออกมากรอนอะไรกันนะอันนี้คนดีใช่ไหมรังสีอรัสรังสีเมตตาเขาแผ่มายังราดรถหมูปลาหมูสัตว์ทั้งหลายเจดายนะครับผู้การเกิดทันนึ้สงสัยไปได้รับรัศมีอันชุ่มยันตอนที่ไปอินเดียนะเนะจะดายเกิดไม่ทันทําบุญ น, น้อยไป จเจริญพุทธคุให้มากกว่านี้อีกหน่อยถ้าทันพระพุทธเจ้าเราจะได้รับรัศมีอันชุ่มเย็นนะนะรัศมีเรียกว่ารังสีแห่งความมีเมตตารังสีของผู้มีศรัทธาผู้มีศีลผู้มีฮิริโอตตปะแต่เราก็ไปเจอแต่ผู้มีรัศมีอันมาหิดมาเลยเลครียกลับมาเลยไงนะไปเจอรังสีอันมาหิดของคนเครียดเราก็เครียดกลับมาไงนะไปเจอคนโหดร้ายเราก็เลยได้รับเอ่รังสีอันนั้นกลับมาก็เลยเสียหายมาก เพระองค์นี้เป็นผู้ที่ได้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระองค์นี้ก็จะชุ่มเย็นกลับมาเนี่ยนะก็บอกว่ามีอยู่คนหนึ่งเขาเป็นอํามาตเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นช่วงเขาก็ไปฟังธรรมอย่างดีเลยนะเสร็จแล้วพอฟังธรรมจบทหารก็มาบอกได้เวลาอาบน้ําแล้วครับท่านก็บอกว่าเราอาบอมะตะธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องอาบแล้วนะมันนั้นเหมือนกันนะก็คืออาบด้วยรัศมีของพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาด้วยศ จากคุณธรรมเนี่ยนะแล้วก็ทานนี้เราก็ลองไปไหว้พระเจดีย์นะเพื่อได้รับรัศมีเหล่านั้นอาจจะชุ่มเย็นกลับมาธัมโมภาสปัจโชกกะโรผู้ทําความรุ่งเรืองด้วยรัศมีคือทำทําในที่นี้ก็คือนี่แหละทำคือทําในที่นี้หมายถึงคุณธรรมนะไม่ใช่อภยกรตะธรรมไม่ใช่อกุศลธรรมแต่หมายถึงคุณธรรมทั้งหลายคืออะไรทําความรุ่งเรืองคือศีลสมาธิ ปัญญาวิมุตติยนานุทัศนาเนี่ยนะไอ้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้ธรรมเหล่านี้รุ่งเรืองปริยัติธรรมรุ่งเรืองปฏิบัติธรรมรุ่งเรืองแล้วก็ปฏิเวทิธรรมรุ่งรเรืองนั้นพระองค์นี้เป็นผู้ที่ทําความรุ่งเรืองด้วยรัศมีคือทําทั้งมวลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นไวโพจน์ของพุทธานุสติทีนี้ผมมาอยากให้สาธยายพุทธานุสติสักบ้างนะในในช่วงเช้านี้